สองคืนแล้วก็บินจากุตยาไปเด ล, ลีไปภาคเด ล, ลี<ช>สองคืนเพราะต้องการจะไปสู่เยาวราชที่แล้วก็จะ บ, บินจากเดลีไปพิษุมาแล้วก็จะไปที่แล้วก็จะไปที่อาจันตาอโร ล, ลา<ป>สองคืนแล้วก็มานายจะบินจากลังกบบ า, า บ, บาดมามูมไบหมแล้วก็บินจากบุมไบกลับ ก็เลยอันนั้นก็เป็นตั้งโปรแกรมไว้แล้วเออตั้งหลักนี้เขาก็เริ่มจองตั๋วจองอะไรไว้เลยนี่คือแต่ว่าช่วงเมษาเนี่จะไปที่พมา่านี่กาลังให้เขาจัดทัวให้อยู่ค่ะจะไปะไม่จะไปแค่เฉพาะใบ เ, เฉพาะแค่ยางกุงเพราะจะไปที่วัดมหาวิหารที่เราจะเอ า, อ เ, เ, อาเอาบาตไปถวายห้าร้อยใบอ๋อค่ะครั้งก่อนเอาไปถวายแล้วไม่ครบ พระพันสองร้อยห้าสิบโลโอ้โหดูพระเยอะมากพระเนียนเยอะเขาเรียนกันเองดูเ้าปฏิบัติทำมากเลก็ตั้งใจกันมากไปแล้วเป็นพระเคร่งคล้ายวิปธรรมวินัยด้วยนะฉันไปถวายอาสนะหนึ่งพันผืนพระอังสัดไปถวายอาหารไปถวายหของเพียบตั้งใจปฏิบัติบาตรหกร้อมบาตรหกร้อยแล้วพระอาจารย์ไปรู้จักวัดนี้ได้ไงจ๊ะมีลูกศิษย์เขาแนะนํา เป็นพระเขาเขาจะถามเราเลยนะถ้าเราเป็นพระไม่รักษาพระธรรมวินัยเนี่ยเขาไม่รับของเราเนะ่างเงี้ยเขากลัวเป็นอบัตร mm hmm. เขาเช็คประวัติพระที่จะไปเลยนะ mm hmm. เขาเช็คไงทั้งนั้นเขาไม่รับเลยเขาไม่ได้เห็นแก่ของเลยนะ mm hmm. เนี่ยโอพระต้องยืนยนันว่าอ๋อพระท่านปฏิบัติอย่างงี้เลยเขาก็ เขาเขา้เขาถึงถึงมารออันนี้คือที่พม่าครับจ้ะใช่ใช่มีสำนักนี้สำนักนี้เขาพมา่าเคงาเข่นี่ยฉันได้ถวายพระอาหารพระพันกว่าลูกฉันก็เลยมา น, นึกว่าเนี่ยช่วงปลายเมษาเนี่ยฉันอยากจะเอายมแม่ไป ย, ยมแม่ก็แก่แล้วเนั่ฉันก็เลยให้ทัวร์เขาช่วยจัดราคาถูกให้หน่อยปกติมันจะต้องหมื่นกว่าบาทหรืออะไรท้องหมื่นเดยฉันบอกว่าช่วยจัดในราคาที่ไม่เกินหมื่นได้ไหม รอบทัวรรู้จักกันของโยมโดนจัน oh. แล้วฉันก็เลยฉันก็เลยยื่นข้อเสนอว่าถ้าจัดในราคานี้ถูกได้เดี๋ยวขอไปให้ไปชาร์จฉันอยากจะทำโครงการหนึ่งเอาพระหกสิบรูปไปอินเดีย oh. นิโยมเขาก็ตอนนี้ฉันก็เลยกำลังใ ห, ให้ให้ทัวร์เขาเสนอราคามา oh. ือ0หกสิบรูปเพราะว่าพระเราเราจะออกให้พ้าทั้งหมด เราคัดลูกยังไงอะคะเดีย๋ยวยังจะคัดเอง <laughs> <laughs> ถ้ายยงสมิธบวชแล้วก็เอาให้ <laughs> ไปอินเดียยยงสมิธไปอินเดียบวชเสร็จแล้วค่อยศึกดีมั้ย <laughs> <laughs> ดี <laughs> เราไป3คนเลยบวชเป็นพระอยู่ทำม <laughs> ุนิทิเนี่ย แน่รไม่มีขีแตกไปแค่าวันบวชสามคนไปเฉพาะไปอินเดียเจ็ดวันเ้ามีนะคนเขาบวชเฉพาะไปอินเดียแล้วก็ล้วก็ได้ใช่ได้มีไปบวชใต้ต้นโพธิจเจ็ดวันจาบวันเี่จะสอบขึ้นใจไม่บวชอ๋อผมเห็นบอกคนบวชเจ็ดวันสิบห้าวันเห็นบวชตลอดชีวิต หมดแล้วติดใจภรรยานั่งเราข้างนี่นั่งตรงนี้ที่ยอมพูดนั่งอยู่ตงนี้เอ้ยผลกี่วันนะคะห้าวันปวดผมไม่ได้กระทบนะข้างในกี่ภาษาอะไรสี่สามท่าแบบดูกว่าว่าเปลี่ยนไปมากเลยค่ะดูสดชื่นดูแบบเบิกบานอิ่มเอมสงสัยไปเดินทุดงเยอะก็ก็เลยเดี๋ยวนี้ใน ผมว่าก็คิดโครงการเนี่ยอยากแกเจริญกุศลเพราะว่าพอไม่ถ้าคิดเรื่องอื่นแล้วเนี่ยมันไม่ปี่ะเจริญกุศลทาทานให้เด็กออกพร้อมแถานี้ไหมครับเรียกข้าวท่นดูนดูแล้วไม่ได้พร้อมเลยสมบูรณดีทุกคนอันนี้ไม่จนสมบรณแล้วก็ไม่เคยอเลยครับมีใครจะรายงานจารย์หมว่าทาวันี่แเป็นยังไงสบายใจ ให้พอาจย์ได้ฟังความคืบหน้าหนึ่งปีตลอดปีละครั้งภาพยนตร์ีไปถึงไหนแล้ว๋เอาเรื่องข้างนอกด้วยข้างนในด้วยงานได้ก็ <c oughs> ผมว่ามาถ้าเรื่องข้างในก็ดีนะครับหมายถึงว่าได้ขัดเกลารึอย่างดีครับแล้วอย่างที่ผมเคยเคยเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าผมผมอยากให้แบบโลกคนทั้งโลกรักการอะไรอย่างนี้ครับแต่แต่ก่อนผมรู้สึกว่าไอ้ที่รักมันที่ผมเข้าใจมันเป็นรัก มันเป็นรักที่มันตามมาด้วยความเกลียดชังได้โดยง่ายอะไรเงี้ยคือมันมันอยู่บางทีเนี่เพิ่งจะมาเห็นเพ้่มาเข้าใจครับเข้าใจว่าเข้าใจว่าความรักความรักแบบเดิมที่ที่มันที่มันต้องต้องรักต้องรักหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอืหรือแบบที่ตอนเด็กๆที่ผมเคยเจอปัญหามาแล้วผมเรียกร้องเนี่ยให้มันมีเหมือนเดิมหรืออะไรเงี้ยจริงๆมันมันมีโค้ตรงข้ามที่มันที่มันรอมีปัญหา อืที่มันสามารถสร้างความเกลียดชังอะไรเงี้ยได้แต่ยิ่งผมเรียกร้องอย่างนั้นไปยิ่งมันก็ยิ่งเหมือนจะมันยิ่งมีอีกสิ่งหนึ่งที่มันที่มันรอจะมีปัญหาอยู่อะไรเงี้ยจริงๆพอมาทํามูรณาธิก็แปลกเดียครับยิ่งมาทํายิ่งเข้าใจยิ่งเห็นปรากฏการณ์เหล่านี้ยครับว่าจริงๆโอมันมันไม่ใช่แบบที่ที่ผมเคยเคยเข้าใจและเรียกร้องมันอะไรเงี้ยออืจริงๆมันมันน่าจะผ่านมาจากการขัดเกลื ความความตั้งใจการลองผิดลองถูกอะไรหลายอย่างครับอาจารย์การทํางานเนี่แหละครับก็แปลกเจ้าสำหรับผมคือเป็นมิติใหม่เหมือนกันนะแล้วยัอมยอมสมิตรมาทมําวุณิี่แล้วได้ก็มีความสุขใจหนระือเราสุขใจที่ที่เพื่อนๆเพื่อเขาก็ฝ่าฟันมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ใฝ่าฟันกระลุมกระลิงเลย <c oughs> หลุยเลยแต่ละคนขอฟังของพี่มเมย์หนยครับพี่เมย์ของผมได้ความมั่นคงเลยแต่ก่อนเราจะเป็นคนที่แบบก็คิดตามโลกเขาก็จะมีความมั่นคงตําแหน่งหน้าที่การงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับก็จะไปดูความมั่นคงของน้องแต่ว่าพอเข้ามาทํางานในมูรนิธิเนี่ยมาตั้งแต่แรกก็มันก็เริ่มเป็นเรื่องของการสละสละมาเรืยออเรื่อสละออกเรื่อย แต่ว่าทําไมข้างในเราแบบว่ามันมันเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็อยู่กับเพื่อนๆเนี่ยฮะมันก็ยังไม่ได้ต่ออย่างนี้ม่พอใจไม่พอใจมันเป็นอยู่กับความจริงแล้วก็เพื่อนก็กล้าคนท้าพูดกล้าเตือนกล้าอะไรเนี่ยแล้วเพื่อนก็ก้กาที่จะชี้ชี้ให้เราเห็นว่าเราเรามีจุดตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็ในขณะที่ชี้เนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องที่เราสามารถรับได้ออื และเรื่องที่เราพยายามที่จะปิดมันเพราะเรากลัวเราออกไอใช่ไหมฮะเข้าใจมันก็จะมีลึกๆแล้วแล้วเวลาเชี้ตรงเนี้ยเราจะต่อสู้กับตัวเราเองคือเราจะไม่มีเหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะมาปกป้องอัตราตัว น, นี้แล้วมันยอมรับอย่างไรเงื่อนไขและสิโร ล, ล่า <laughs> และ น, น, นะครับคือ คือคือพอมันตกไปนะความความมั่นคงทางใจอ่ะมันยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วเวลาที่ผมออกไปทํางานข้างนอกมันไม่เหมือนคนปกติทั่วไปเราก็รู้ว่าเราเปลี่ยนไปคนรอบข้างก็รู้ว่าเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นคนะคนไปเลยอเราขณะที่เรามีใจมั่นคงเรามีความมั่นคงหรืมีความมั่นใจอย่าไปที่ไหนเราอาหานครับครับอันนี้คือคือคือสิ่งที่ได้ส่วนกลับมาที่ครอบครัวคือมันมีความรับที่ บริสุทธิ์ขึ้นคำว่าบริสุทธิ์ขึ้นห ม, มายความว่าทุกวันเนี้ยผมไม่ต้องมาหล่อเลี้ยงความพอใจไม่พอใจภรรยายแล้วไม่เหมือนก่อนมันเป็นรักที่บริสุทธิ์เลยวอาจารย์ให้ก็ให้แบบแบบแก็มีก็มีเขาก็มีเขาแล้วก็ที่สิ่งของเขา ม, มันจะมีเขาเป็นความ เป็นความเป็นความมั่นคงของเราด้วย ม, Jamie, tamam. มันคือพลังใจอะมันคือแบบแบบที่ชาร์จอยู mals? ่ลอดอะไรเงี้ยนายจ้ะลากไไค่ะไม่เลาเวลาเวลาที่บอกว่าทะเลาะอะายจคือมัน้อง้คือคนคือคนที่บอกเขาาว่าทะเลาะมันคือเรื่องม่ดีแต่สำหรับชีวิตผมกับภรรยาเนี่ยคบกันมานานมากเกือบเกือบสิบปีไม่เคยทะเลาะกันทั้งเเป็นเรื่องที่แปลกประลาด ถ้าถ้าถ้าเป็นคนข้างนอกก็จะมองว่าไอ้สองคนเนี่โห้ยมันเป็นคู่ที่<า>ว่าใครก็อิจฉาพวกผมเพราะอยู่ด้วยกันคบกันมาตั้งแต่คบกันมาก่อนแต่งงานก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยน่าแหละเป็นเรื่องที่แปลกมากสําหรับสหธรรมิกเพื่อนก็จะมองว่ามันเป็นมันไม่ใช่อ่ะคือแล้วจริงๆว่าอาจารย์คือว่าพีส่สายผมสองคนกับภรรยาคือว่าจะชอบเก็บอืมเก็บไว้ใต้โคม ปุ่นนะอะไรต่างๆอะไรปรกอมก็เป็นไว้ใต้ผมสุบเอาไว้ไม่ได้ชําระเก็บกดไม่ได้ชําระอแต่ตอนนี้ออกมาี่เพื่อนก็มาเปิดคมอย่างเงี้ยฮะแล้วก็สุบัดทำความสะอาดไอ้ยิงไอ้ตุ้งเลยไอ้คือคือมันดีครับเพราะว่าเวลาที่เรามีเก็บกดอย่างเงี้ยอีกส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของเราตัดเรื่องราวหมดนะมันจะเป็นเรื่องวงการงานที่มันเก็บกดแล้วมันกลิดเป็นระบายของคนอื่นบนหน้างานบนโรงงานลูกน้องบนรอบข้าง ก็จะโดนอารมณ์ของเราหมดแต่กลับมาแฮปปี้เอนดิ้งเรารักกัน <c oughs> แต่ออกไปปุ๊บ <c oughs> มึงคนนอกโดนหมดแล้วก็เรื่องมันจะเป็นเรื่องของการเ อ, อของการเปลี่ยนระบบแนวคิดวิถีชีวิตอะครับจากที่ใช้อํานาจรับผลประโยชน์เป็นตัวตั้งเหมือนคนทั่วไปเพราะถ้าเราไม่เอาตัวนี้เป็นตัวตั้งเราอยู่ยากสังคมเป็นแบบนี้มันคือการต่อสู้มันคือการทำหันมันคือการเอาชิงดีชิงเด่นแต่ว่า ในวันนี้เรากับเราก็กล้าหาญที่จะใช้ความรักความเข้าใจเป็นตัวหน่อืมอาจารย์ฟังดูดีมันฟังดูดีใช่ไหมเปลี่ยนอาจารย์ปกติผมว่าพี่เมตตาคุยเปลี่ยนไปวันนี้คุยจะกความรสึกด้แล้วก่อนจะจินตนาการอตอนนี้เป็เรื่องสําคัญที่แบบขอบคุณเอาความที่ทำให้รู้เอาความจริงมาพูดแล้วหนูว่าไง มันก็ทํำนิทีมาก็ได้เห็นความจริงมากขึ้นเรื่อยๆความจริงในในตัวเราอะที่แบบทั้งดีที่คิดว่าดีที่ไม่ดีสิ่งที่ทําได้ทําไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆที่เราไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักเช่นเช่นยังไงก็เป็นรูปลุรมนั้นก็อย่างเราเคยคิดว่าตัวเราเนี่ยเก่งตัวเราทําได้ตัวเราดี ยังไงพอมาเจอปัญหาเจอเรื่องราวอย่างเงี้ยเราบางทีงเราก็ถึงจะได้รู้ว่าเราอะไม่ได้ดีอย่างนั้นไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราที่เราคิดว่าเราจะจัดการปัญหาทุกอย่างได้อืมแต่ก่อนหนูคิดอย่างนั้นิงใช่มันจะมีความรู้สึกว่ามันมีสองอย่างก็คือจัดการได้ไม่มกับไม่สนใจ อ๋อพอดีมือนเฉยกับมันทำทำเป็นงงงมึนมนกับมันความมึนไม่เกี่ยวความมไม่ไม่เออไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ปัญหามันก็ยังอยู่แล้วตอนนี้ใจตอนนี้ก็ก็ลุยถ้ามีปัญหาก็ก็ก็ก็เผชิญกับมันเผชิญแบบไหนต้องรู้ก่อนก็พิจารณาแล้วก็ยอมรับอ่าแล้ว Oh. โอ้โอ้ว่าไงก็ตั้งแต่มาเจอเพื่อนๆก็มีการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปค่ะได้ได้รู้จักแล้วก็ยอมรับตัวเองมากขึ้นอ่าแล้วแต่ก่อนไม่ยอมรับอะไรค่ะดื้อค่ะก็จะมีพี่สมินนะคะช่วยช่วยทำให้เรารู้จักตัวเองประมาณเก้าปีแต่เราเราดื้อเพราะว่ามันมีเขาสู้กับเราอยู่คนเดียวแล้วเราดื้อ ม, มาก ดื้อยังไงดื้อคื อ, อคว่าตัวเองดีแล้วก็ทําอะไรตามความพอใจของตัวเองอะไรไม่พอใจก็จะสร้างความเดอดหน้อนไม่สนใจความรู้สึกคนอื่นโอ้ไม่สนใจไม่สนใจความรู้สึกดนใดๆทัเอาความ<น>ต้องการตัวเองเป็นตัวตั้งใช่ค่ะแล้วก็ยืนแรงเป็นค น, นที่จะแสดงออกอย่างตอนนี้แก้ได้ยังไง แ่ได้ด้วยที่พี่สมิธเนี่ยทำให้เราเจอเหตุการ์เจอเหตุการ์จริงตัวที่มีเข า, าช่วยเราให้เราไม่ต้องเจอเหมือนไปเจอกับชีวิตจริงเขาจะมีเหตุการณ์ทำให้เราเรียนรู้แล้วก็ให้เราเกิดความรู้สึกและได้รับผลจากสิ่งที่เราเป็นทุกใจไหมที่ว่ า, อายอมสมิธเนี่ยจูงเรามาหรือดึงเรามาตรงนี้ทาไ ม, ไมทา<ำ> เพราะว่าวรู้ว่าถ้าเราไม่มาตรงนี้ป่านเลยที่จะได้รู้จักความตัวเองก็จได้ไม่เคยคิดเลยทำไมต้องลงทุนขนาดนี้ถึงจะรู้อตืนเ้นเยค่ะคิดเคยสงสัยเหมือ น, นกันว่าทำไมนี่มันความสุขของเราหรอกคือเขาคือความสุขของเราเราก็รู้สึกว่าความสุขที่มันใช่ของเราหรือเปล่าแล้วทำไมเขาต้องต้องทำกับเราช่วยเหลือเราขนาดนี้คือรู้ตัวว่าตัวเองอะเป็นขนาดไหน ช่วยยังไงยอมจะไม่ช่วยกันทุกวินาทีทุกๆในความรู้สึกของเขาอ่ะเขาจะมีแต่ปัญหาของเราอยู่ตลอดเวลาว่าอย่างไรอย่างไรอย่างไรอย่างไรให้เรารู้สึกตัวแล้วรู้จักตัวเองบางทีเขาก็แก้ผิดแก้ถูกเขาก็พยายามจะแก้ให้เรายังเขาต้องยอมผิดไปกับเราเพื่อเป็นเพื่อนเราโอ้ขนาดนั้นอันนี้เพราะว่า <c oughs> อันนี้รักแท้ไหม <c oughs> เราต้องผิดไปกับเราเพื่อให้เราไม่โดดเดียวแล้วเรากล้าที่จะยอมเช่นยังไงยกตัวอย่างสคริปเช่นเช่นเออเราเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่รู้จักเสศสละเขาก็บอกเราว่าถ้าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่รู้จักเส็สละเราจะสนสเสนทุกอย่างแลเราจะลำบากเขาทำให้เรามีก่อนมีมากๆาเสร็จแล้วเขาเขาบอกถึงหนึ่งสองและสามครั้ง พอครั้งที่สมเนี่ยเขาบอกว่าถ้ายังไม่รู้เรื่องเนี่ยจะลำบากจนไม่เหลืออะไรเลยเขาก็จะยอมลำบากไปกับเราเพื่อที่ให้เราได้หนุสละเลยสละทรัพย์สินบางครั้งก็จะสละชีวิตบ้างบางครั้งแล้วก็สิ่งที่สละในทุกๆวันคือความความเป็นตัวเองเช่นอย่างเช่นไม่หลงเหลือความชอบใจไม่ชอบใจหรือว่าสิ่งที่ตัวเองปรารถนาหรือว่า ความสุขใดๆที่ตัวเองไม่คือไม่เรามองไปเราไม่เห็นเอ<ร>าคว<ร>ามต้องการของเรา<ช>เราต้องการอะไรให้ทั้งหมดเ อ, อสลับค่ะจะมีสลับมีให้แล้วก็มีลงโทษแล้วก็มีให้มีการลงโทษยังไงเช่นลงโทษก็คือลงโทษของเราเนี่ยคือทําความรู้สึกทางผลลัพธ์ทาํกทาการกระทำคือให้เจอเรื่องจริงเช่นถ้าแต่จะบอกก่อนทุกครั้งเรืงหน้าว่าถ้าเราทําแบบนี้จะได้ผลแบบนี้ ถ้าเราไม่เชื่อปุ๊บขนก็ปากดเตืแล้วเราก็จะแบบย้อนมาคิดว่ามันจริงจริจจแล้วก็ดื้อ ม, มากก็คือทำซ้ำๆเป็นร้อยๆครั้งต่อนหนึ่งรือแร้วโอ้โหหน้าให้รางวัลนะให้รางวัลเป็น c อ s t l มม i n g มีสิ่งที่อยากจะบอกต่อครับคือพี่สมิธไม่นิดทำกับเพื่อนทุกทากับ ช่วยทุกคนเพื่อนทุกคนคปัญหาของทุกๆคนทุกวินาทีร่วมทุกกับทุกคนด้วยไม้ว่าเราจะมีปัญหาอะไรเขาไม่เคยทิ้งเขาเป็นผู้ชี้สําหรับผมเลยันดีเขามาเพื่อเพื่อมาเกื้อกูลลังเขาเลยเหนื่อยขนาดนี้เลยค่ะเหนื่อยเหนื่อยในการต้องกินเหครียดเราก็ชอบชอบเขาค่ะ เขาจะเป็นผู้ที่สะท้อนเขาจะสะท้อนความเป็นเราให้เรารู้เขามีปัญหาก็สมิธพอสะท้อนปุ๊บเราเห็นตัวเองเรารับไม่ได้เราโทษกลับไปที่เขาเขานทีตัเองจัเขาว่างจริงเหมือนกระจเาเวลาเราเกลียดเขาเหมือนเราเกลียดแล้วเราขาดมันว่างแล้วเขาก็ให้อภัยทุกทุกครั้งแล้วก็ให้โอกาสเสมอที่เรามานั่งพูดกันเราก็ยังมีการกระทําที่ทําต่อเขา แน้นทุกวันแม้ข้างหน้าก็จะทำอย่างนี้อีกไม่ไม่ค่ะหมายมันบอกไม่ได้เพราะมันยังไม่เคยมไม่มีใครที่จะหยุดเลยไม่มใช่เขาไม่หยุดฮะแต่ว่ามันมันจะเป็นว่าอย่างหยาบอย่างละเอียดไปเรื่อยอะไรเงี้ยจะมีนิดนหน่อยน่อยอะไรเยออย่างไอเดี๋ยวจะชี้ึงไอยะย้อมตาเนี่ยอ่ะทุกงัไม่ได้ยังไม่ได้คุยปันหายอมตาค่ะยัอย่างะไม่ใช่หมายความว่าปัญหาไอ้ที่ประเด็นที่หนูจะพูดหมดที่ยังหมดละค่ะอ๋อเนี่ยโดนตามีอะ ะคะเรารู้สึกว่าสมัยสมัยก่อนเนี่ยเราอยู่กับความบ้าเยอะค่ะเราอยู่กับอัตราอยู่วับความหลงผิดทั้งที่เราคิดว่ามันถูกแต่มันคือยังหลงผิดอยู่โอเคได้ได้ได้ได้อะว่า uh, wow. แต่พอได้มาอยู่กับเพื่อนๆ อ, อยู่กับสมิธอยู่กับทุกๆคนเนี่ยมันเหมือนกับเราได้รับการสะท้อนแต่ว่าเราก็จะดึงดังในช่วง แ, วแรกๆว่าฉันถูกอนะไรเงี้ยฉันรู้แล้วอนะไรเงี้ยแต่พอบางครั้งเ อ, อพอมันกระทบเยอะๆมันทําให้เราได้กลับมามีปัญญามากขึ้นเราก็เห็นตัวเองจริงๆเจอทุกข์จริงๆแล้วมันไม่โดนทิ้งอ่ะมันมีเพื่อนอยู่ถ้าเราต้องทุกคนเดียวเราคงไม่รอด มีเพื่อนร่วมทุกข์เรียนเป็นกันเลยเลยอาว์ชีวิตมันก็ยังนี่ตรงนั้มันก็เดินเดินได้อยู่ได้แล้วเราก็ได้เรียนรู้ทุกทุอย่างไม่ใช่แค่ของตัวเองการอยู่กับเพื่อนทุกของเพื่อนอ่ะเราคุยกันเป็นกลุ่มนี่นะคว่าเราทอนกันทุกของเพื่อนเราก็เห็นมันก็เรียนรู้ให้เราไม่ต้องไปทุกสามเดือนบาทสี่ของเป็นถ้าเราอมีเมื่อกระทบเราก็โอ้อันนี้เราก็มีเหมือนกันดี่หว่า บันทีเรามีเราไม่เห็นของตัวเองแต่เราเห็นของเพื่อนมัาสะท้อนให้เห็นของตัวเองอย่างเงี้ยนแะ่ะเวลานั้นคุยกันเป็นวงพอเพื่อนโดนเรื่องนี้อ่ะเราก็มีนี่หว่าอะไรเมันก็กลับมาที่เราหรือว่าบางครั้งเนี่ยถึงจะรักกันขนาดไหนแต่พอเวลากระทบกันมันมีอารมณ์มันก็มีตะหวาดใส่กันอนะไรอ่างเงี้ยเราก็ต้องรู้จักให้อภยัยรู้จักยอมรับรู้จักยอมลดตัวเองลงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีอะค่ะ ลองแรงมาก็แรงกลับทันทีเลยก็ได้ฝึกให้ตัวเองแบบอมลงยอมยอมเป็นอะไรอะไรเป็นเหตุทำให้พวกเรายอมซึ่งกันและกันได้ก็เมื่อมันยอมแล้วมันดีอะค่ะยอมแล้วมันก็อิสระขึ้นแล้วก็คบกันได้ถ้าไม่ยอมก็คงอยู่กันไม่ถึงตรงนี้มันเป็นผลของผลต่อเนื่องนะคะที่แบบจากที่เราไม่เข้าใจแล้วพอเข้าใจที่ละสเต็ปเนี่ยค่ะ มันก็ดำเนินต่อไปโอ้พอมันยอมมันได้อยู่กับความจริงมากขที่เรายอมเพราะว่ามีคนยอมให้ดูค่ ะ, ะเขายอมคือประเด็นตรงนี้เดี๋ยวที่ประเด็นนี้ได้ว่าเ อ, อที่พวกเรากระทําต่อกันมาเนี่ยมันเข้าหลักการที่พระพุทธเจ้าพูดเ <c oughs> ข้าเข้าบางข้อไม่เข้าบางข้อมันจะมีสลับเนี่ย <ฮะ S 1> คือการอยู่ด้วยกันเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คําว่ากาลยานมิตรต่อกัน เป็นมิตรที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นสามีภรรยาที่จริงก็คือมิตรมิตรก็คือกาลยานะมิตรมิตรที่ดีเพื่อนที่ดีเป็นเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อกันและกันที่จะเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันคุณสมบัติข้อแรกนะสัพพะก็เรียกปิโยสัพน์นั้นแปลว่าน่ารักปิโยความเป็นผู้มีน่ารักคําว่าน่ารักคําเนี้ยแปลว่า เข็นกันแล้วเนี่ยมันรู้สึกอยากจะเข้าไปปรึกษาหนีเห็นกันเขาหนีพราะเห็นไหมเพราะถ้าทั้งนั้นมันจะตรงกันข้ามไงคํามันน่ารักเนี่ยก็เห็นแล้วอยากจะเข้าไปสอบถามเข้าไปปรึกษาอเข้าไปเข้าไปอยากจะรู้เรื่องอะไรทั้งหลายอยากจะเข้าไปถามอยากจะลักษณะนี้คือน่ารักค่ะฉะนั้นการที่จะอยู่ด้วยกันเนี่ยต้อง ต้องทำตนเองให้น่ารักทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจทั้งอะไรทั้งสตัสรความเห็นที่แสดงออกมาต้องต้องเป็นคนน่ารักแล้วก็ต้องท่องเขาไว้ว่าเราจะต้องทำตนเองเป็นคนน่ารักข้อที่สองมันจะคาว่าครุษั์เนี่ยมันจะว่าครูเข้าไปว่าน่าเคารพคาว่าน่าเคารพในที่นี้แปลว่าเวลาเข้าไปอยู่ใกล้ๆแล้วเนี่ยมันอบอุ่น อบอุ่นแล้วมันมีความสุขปลอดภัยแล้วรู้สึกปลอดภัยอไอ้ตรงนี้มันมันต้องฝึกตนเองทุกคนต้องต้องทำขึ้นมาไม่ใช่แค่ยอสมิทคนเดียวทุกคนต้องต้องฝึกตนเองให้ให้ให้ได้ตรงนี้ทีนี้คำว่าจะน่าเคารพหรือจะอบอุ่นเนี่ยก็แปลว่าต้องเป็นคนที่หนักแน่นไม่ใช่เป็นคนเบาไม่ใช่หนักคือน้ำหนักเนี่ย <c oughs> หนักเลยทนั่คือ <c oughs> คือคือสภาพจ <c oughs> ิต เริ่มหนักแรกกันทุกคนก็คือว่าเวลาเวลาเข้าไปอยู่ใกล้รู้สึกว่าอบอุ่นเข้าไปอยู่ใกล้แล้วปลอดภัยเข้าไปอยู่ใกล้แล้วคนคนนี้ยไม่ทําร้ายเราไม่ทําร้ายเราแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับเราได้นี่ก็เรื่องน่าเคารพอีกข้อหนึ่งมันจะคำว่าภาวนิโยแปลว่าน่าเจริญใจนี่ก็คือเป็นคนที่พัฒนาตนเองตลอด พัฒนาตนเองตลอดแล้วก็เราไปอยู่ใกล้แล้วรู้สึกมันทําให้เราก็ตือนรือล้อนที่จะขวนขวายในการที่พัฒนาตนเองทุกด้านทั้งด้านพฤติกรรมจิตใจเมตทัศนะความเห็นหรือปัญญามันมันรู้สึกว่าเออใช่ไม่ใช่เฉยชาอยู่แล้วมันอยากจะฝึกตนเองอยากจะร่วมต่อสู้ร่วมแรงร่วมใจทั้งหลายนั่นก็เรียกภาณีอยเงี้ยลักษณะเงี้ยต้องเป็นต้องแก้กันแล้วกัน กูซื้อไงมาพาวนิโยแล้วมันต่อไะตามวินาทีอันนี้เขาเรียกว่าสะดุ้งหลังแต่ว่าที่พาวนิโยด้ชัดขึ้นอะค่ะตามมาเรื่องของทีนี้อีกข้อหนึ่งก็คือว่าวัตตาสับเนี้ยเป็นผู้ว่ากล่าวคือเป็นคนที่มีจังหวะชีวิตดีคือรู้ว่าตอนเนี้เราเราเราอยากได้ความสงบเขาก็สงบ วาลานี้ยเขาต้องการเ อ, อเราปรารถนาอยากจะได้ฟังคาพูดแบบเนี้ยก็พูดเป็น<ม>คือคือมไม่ใช่เป็นคนจังหวะนรกคือจังหวะนรก ค, คือพูดแล้วมันผิดผิดจังหวะผิดเวลามเวลาผิดบุคคลผิดการตรงกันข้ามหมดทุกข้อคือคือเป็นคนที่เป็นคนที่ จังหวะดีเช่นว่าเราอยากให้เขาทำพฤติกรรมอย่างนี้ก็ทำได้ตรงที่เราต้องการเราปรารถนาได้คำพูดแบบนี้เช่นกำลังโขดหูเ็าพูดให้เรามีกำลังใจอันดีพอาจารย์เป๊ะมากทุกครั้งเลยค่ะเวลาพวกเรากราลังโขดหูได้เวลาเวลารู้สึกว่าเราเรารู้สึกหลงลืมก็เตือนสติเราเตือนอย่างไร เตือนสติเราเวลาเราคิดอะไรไม่ออกก็บอกวิธีคิดบอกช่องทางให้อะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยลักษณะนี้ยก็เรียกว่า ว, วัดต า, ว, ดตาวัดตาจะศัพท์นี้แปลว่าเป็นการเป็นคนว่ากล่าว ว, าว่ากล่าวก็คือเป็นคนฉลาดในการพูดฉลาดในการว่ากล่าวแล้วก็ถูกวเวลามากเราต้องฝึกตัวเองให้ได้เป็นแบบนี้แก่กันและกัน อันนี้ยากขึ้นกว่าปีแรกแล้วอีกคนละข้ออ่ะปีแรกธาร่ามาสถาปีนี้วาตาอีกข้อนึงก็คือว่าอีศัพเนี่ยสำคัญนี่ก็คือวัดวัจนะคโมศัพทเนี่ยเนี่ยวัจนะคโมคือทนโอ้อันนี้คืออันนี้คือพวกเราเลยคือทนทนยังไงทนต่อพฤติกรรมของเพื่อนอ่ออันนี้จะทนมากยอมรับมั้คือยอมยอมรับแต่ เขาพูดถากถางเสียดสีตำหนินินทายกเรื่องไม่จริงมากล่าวแรงต่างก็ยอมรับได้ด้วยปัญญาว่าช่วงเนี้ยไม่ไ ม, ไม่ไม่ควรตอบโต้ก็ไม่ตอบโต้มันก็ไม่ใช่จังหวะก็รับได้ซึ่งซึ่ ง, งเราเห็นเห็นเขาเนี่ยถูกกิเลสมันก้มลมเช่นถูกความอยากมันก้มลมอยู่ไปพูดแทบตายมันก็ไ ม, ม่ฟังก็รับ มึงถูกความโกรธกําลังกุ้มลุมอยู่เบียดเบียนอยู่ผ้าจันทร์เหเหตุการณ์ือเปล่าหรือว่ากำลังถูกความหงอยเงาเศร้าซึมเนี่ยมันก็แสดงปฏิกิริยาออกมาก็ยอมรับพฤติกรรมก็ได้คําว่ายอมรับเนี่ยไม่ใช่ยอมจำนนนะ ย, ยอมรับที่เขากําลังแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นออกมาแล้วก็หาจังห <า S 1> วะหาจังหวะเมื่อเขาสงบ พอจะเตือนได้เลยได้ก็ใช้จังหวะนั้นก็เอามาข้อวัดตามากล่าวฉลาามันสลับกันไงวัดตาใชแต่ถ้าหากว่ารู้แล้วถ้าพูดไปก็ไม่เป็นผลก็ทําไปก็ไม่เป็นผลก็ยอมรับต่อความที่พฤติกรรมของบุคคลมันหลากหลายต่างกันต้องจังหวะนี้เสียววินาทีมันเก่งมากเลเพราะเพราะว่าเพราะว่า เป็นคนที่การจะอยู่กับคนโดยเฉพาะคนที่คุมตัวเองไม่ได้ยับยั้งตัวเองไม่ได้ไม่ใช่เป็นสยามะหรือหรือสยามประเทศสยามก็แปลว่ายับยั้งตนเองได้คุมตัวเองได้กากับตัวเองได้เขาเรียกสยามใช่ไหมเขาจึงตั้งประเทศสยามเนี่ยมานหมายถึงว่าพร้อมที่จะยับยั้งตัวเองพร้อมที่จะ ควบคุมตัวเองได้ไม่ปล่อยให้ตนเองนั้นเนี่ยหรือว่าปล่อยให้ตนเองนั้นเนี่ยพกพานไปโดยไม่ยับยั้งชั่งใจอาจารย์ขอแซนิดหนึ่งครับตรงนี้ประวัติในปวาครับอ๋อรัชการที่สี่ต่มความหมายเมื่อกี้ครับสยาี้วิชาการี่ไม่ใช่ เขาบอกว่าฝรังมองค้าวเห็นชาวไทยตัวดำเลยเรียกไม่ใช่นี่มันออกทีวีกันอย่างเงี้ยฝรั่กขาที่สี่นี่ทวดผมแล้วพี่การานี่เขาจะได้เป็ดหรือไงสะมันก็จะคำว่าสะห ะ, ะแล้วก็คำว่ายมมะสะหะยามะอืมก็คือ<ะ>อืมก็คือพร้อมที่จะยับยัง<ะ>้งชั่งใจตัวเอง พร้อมที่จะควบคุมตัวเองมีความพร้อมในการที่จะยับยั้งมีความพร้อมที่จะจะควบคุมตนเองไม่ให้ไม่ให้ตนเองนั้นต้องละเมิดในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรตบชัดๆต้องไม่ละเมิดในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรก็คือถ้าเรามองมองตรงนี้กับคำว่าวัจนะขโมยก็คือยอมรับพฤติกรรมหรือว่าเขาจะมาว่ากล่าว ตำนิติติงทั้งหลายก็ยอมรับยอมรับได้อดทนได้ด้วยปัญญาแล้วก็ดูจังหวะเมื่อเพื่อนหรือมิตรทั้งหลายเหล่านี้สงบระงับแล้วก็ฉลาดในการที่จะบอกส่วนอีกข้อหนึ่งก็เรียกว่าคำพีรัญจากกระถางกระตาก็คือเป็นคนฉลาดในการที่จะพูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้า พูดเรื่องลึกเนี่ยหยิบให้มันตื้นได้ก็คือพูดให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ยาก ไ, ไม่ด้วยลําบากสามารถชี้แจงแถลงไขได้แดงชัดชัดถ้อยชัดความขึ้นไปที่แจงหรืออะไรต่างๆสถานการณ์ใดต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยพูดแล้วเข้าใจทันทีแม้เรื่องยากแม้เรื่องยาวสรุปจับประเด็นได้ว่ากันเถอะแถลงเรื่องที่ลึกให้มันให้เข้าใจได้อย่างละเอียดแล้ออเลยคือพูดจนรู้สึกว่าเขา มัน ช, ช, ชัดเจนออย่างนี้เป็นต้นนี่คือฉลาดในการกระแล้วข้อสุดท้ายก็คือโนจัดฐาเนจัตนโยชเชย์ก็คือไม่ชักนำในทางที่เสือเออ่อมเพื่อนจะไปในทางที่ไม่ดีดึงกลับมาเพื่อนจะตกไปในทางเสียหายก็ดึงกลับมาเข้าเข้าร้า อ, งองเข้ารอยเข้าเข้าท่าทางไม่หนีเดียวก็ชาลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่ากัลยาณมิตรแปดอย่างเลย เขจ็ดเจ็อย่างนกลุ่มเรามีไส้สึบะครับเนี่ยมาอาจารารนี้เปิดใจเราอยู่นกิกรรม็อย่างนี่คืออะไรมีพึงกระทเหรคเป็นหลักที่ต้องฝึกตัวเองตั้งแต่ว่าน่ารักนะสองก็คือน่าเคารพก็คือเป็นคนที่อยู่ใกล้แล้วอบอุ่นอยู่ใกล้แล้วปลอดภัยแล้วก็น่าเจริญใจเป็นคนที่ฝึกตนเองตลอดพัฒนาตนเองตลอดเมื่อด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญา แล้เป็คนฉลาดในการว่ากาวมีจังหวะจังหวะพูดได้ดีว่าช่วงไหนพูดช่วงไหนไม่พูดหรือว่าจังหวะในการแสดงพฤติกรรมเนี่ยก็รู้จังหวะถ้าเขาต้องการสีหน้าแววตาอย่างนี้ก็แสดงสีหน้าแววตาให้เพื่อนได้เห็นหม <c oughs> <c oughs> นีเป็นตนแล้วก็เป็นคนที่ทนทนต่อคาว่ากาวทนต่อคาเสียดเสตจ้ า, จานท่อนทนนี้กับธรรมะมันต่างนนกักงง น, นอ๋อธรรมะแปลว่าฝึก ว่าจะนัขโมยก็บไอ้ธรรมะจริงๆคล้ายกันธรรมะท้อทหารมอม้าตัวนี้มันแปลว่าปรับตัวเองตลอดอเหมือนเหมือนใบไม้เหมือนผลใบไม้ปรับตัวเองตามฤ ด, ดูกาลแม้ชั้นใดธรรมะก็คือเขาเป็นคุณธรรมของสามีภรรยาต้องปรับตัวเองตลอดออ น, นั้นไป็ใช้กับภรรยากับสามีอมของการคองเรือนถ้าไม่ปรับเข้าหากันมันเข้ากันไม่ได้ ม, มันต้องปรับ มันเหมือนไม้คนละป่าเข้ามาต้องตัดปัดป่าเพื่อเหมือนเข้ากันเ<ด>ลยนะเ<ด>นี่ยเหมือนกันก็คือให้ไม่ให้ให้สามารถกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เข้ากันได้ให้เหมือนน้ากับ น, น้ำหนมให้ได้ไม่ใช่น้ํากับ น, น้ํามันเนี่ยมันจะคําว่าธรรมะโดยโดยส่นก็เวลาผมมาฟังว่าอาจารย์ถึงเรื่ออาจารย์ตะันเทศบอกว่าธรรมะคือการการฝึกฝนก็คือจริงๆจะไปบอกว่ามันมาจากคําว่าทรมานกัน เช่นพระพุธทธเจ้าไปทรม า, า, มานไปทรมาราลวกยักษ์แท้จริงไม่ได้ไปข่มไปทุบไปตีเราไปฝึกไปฝึกจากคนขี้โกรธให้มีเมตาตา <c oughs> ไปฝึกไปฝึกให้จากคนจากคนเกียดค้าให้เป็นคนขยันไง<อ>จากจากคนเอาต่ใ จ, จตัวเองให้คนมีจิตใจเสียสละ ครบทุกข้อเลยหนือป่าต้องฝึกม <así>: um, enfin ันจากคำว่าธรรมะก็คือทรมานพอภาษาไทยม่เรียกว่าทรมานไทยก็ธรรมะก็ต้องทรมานแล้วเมื่อกี้ข้อหาข้อหคุณเรียกว่าอะไรนะคะที่ที่อดทนเนี่ยวัดต่าโกละดีอะไรต่อจากวัดตาวัดจนะขมจริงแล้วการเข้าไปฝึกฝนแล้วไปทาให้เขาการฝึกฝนมันมันต้องรู้สึก เอ่อมันต้องมีความรู้สึกบางอันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดใช่ไหมฮะที่เวลาเราเข้าไปฝอนเขาแล้วเขาสึกอเาเจ็บปวดไปฉันเหนื่อยอะไรอไรย่างนี้ไม่มีไ ม, ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องผิดใช่ไมอ๋อก็แน่นอนเป็นรักหมายว่าเาวลาจังหวะที่เราไปดูแล้วเขาเราต้องการจะปรับต้องการอยากจะให้เขาเขาออกจากความรู้สึกตรงนั้นอ่าครับ เขาเป็นคนที่เภาเนาพนอกับความโกรธอืกอดรัดวัดเบี่ยงกับความโกรธกับความเครียดกับความเห็นแก่ตัวการที่จะไปดึงเขาออกจากตรงนั้นหรือการที่เราจะไปดึงเหมือนคนถูกลูกศรเสียบอยู่เนี่ย ม, มันเจ็บนะเวลาจะดึงหร อ, อ, อ ม, มันก็เจ็บการก็ต้องให้เขาสงบใช่ไหมให้เราจะผ่าตัดต้องวางยาอันนี้นี่ก็เหมือนกันกรณีที่กํลาลังพุกพ่านอยู่เนี่ย เราเราบอกให้เขาสงบเรามีวิธีการเมื่อเขาสงบเบ็ดเสร็จปุ๊บ ก, ก็ใช้ปัญญาอบอกแนะนํนาเขาให้ใช้ถอนอถอนออกอแต่เขากําลังดิน้นพันธ์พันธ์นอยู่มันไม่ให้เราจับอยู่แล้วใช่ไห ม, มธรรมชาตินี่ก็เหมือนกันถ้าใจเขายังพกพานอยู่ไม่ได้ก็ต้องหาวิธีใหม่รอจังหวะแล้วก็บอกวิธีจนเขาสงบพอสงบเบีดเสร็จปุ๊บแล้วก็ชี้ก็เห็นว่ามันเป็นโทษยังไง น, ะนี่แหละคือการถอนลกอนูกศรออกจาก ออหมอก็ต้องสงบเหมือนกันนะคะไม่งั้นหมอก็โมโหได้งั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่คนที่เป็นหมอเป็นแพทย์ก็จะต้อ ง, งต้องไม่โกรธคนไข้คนไข้อาจจะถีบบ่างด่าแล้วบ้างเพราะอาการของคนไข้ <S <S เนือเน้อเนื้แล้วแต่ช้าหมดแล้วก็คือ ก, ก็ต้องยอมรับ ก, กับคนที่กําลังถูกลูกสอนคือโรคพาร์ทโสามหะ หรือความเห็นเกลตัวหรือกิ่เล็กุ้งลุงก็ต้องยอมรับว่ามันก็ดิ้นพ่านอย่างนั้ น, นการที่เราเห็นความยิงตรงนี้ก็คือทนพฤติกรรมเขาแล้วก็บอกอุบายวิธีเขาสงบวัตถุประสงค์คือจะถอนยาพิษหรือสิ่งที่ไม่ดีออก <g ül> ก็ย่อมยอมรับว่าเมื่อเราอยู่ใกล้กับคนที่คุมตัวเองไม่ได้ยับยั้งตัวเองไม่ได้เนี่ยแล้วก็ติดเชื้อเป็นของธรรมดาต้องระวังเห็นไหมก็ต้องมีแมสก์มีไรใส่นี่กระมังก็ใช้อะไรใช้สติ เป็นตัวปิดกันใช้ความเพียรที่สร้างสรรในการประคองไม่ให้ท้อให้ความอดทนคือความตั้งมั่นแห่งจิตแล้วก็ใช้ปัญญาในการคิดอ่านสอบสวนวิจัยแยกๆในการที่จะแก้ปัญหาเพราะอาจารน์้วตอนนี้เราต้องคอนแทคเรือ ว, ว่าเกี่ยวเนอคนข้างนอกเยอะแล้วเราต้องเจ็ดคนก็ต่างคนต่างต้องทำร <c oughs> ่างอยากอะไรเราจะมีอยากทำยังไงในการ ต้องทำงานร่วม ก, กับผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่นอนเพ่นเนี่ยเ อ, อตรงนี้เขาเรียกว่า อ, อ่ามันจะมีลักษณะที่คําว่าไ อ, อ้คำว่าดูเป็นฟังเป็นพูดเป็นสื่อสารเป็นใช่ไหมออตรงนี้สําคัญมากสื่อสารได้พูดได้เนี่ยดีแต่แปลว่ายังไม่ประสบความสําเร็จ <Okay. S 1> มันต้องพูดเป็นและสื่อสารเป็นทําเป็นพูดเป็นสื่อสารเป็นในตรงนี้สําคัญที่สุดออกรณีที่เราจะไป ไปเชื่อมโยงกับคนข้างนอกใช่ไหมครับคือการที่เราจะไปเชื่อมโยงกับคนข้างนอกในสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือเราต้องฝึกจิตของตัวเราเองให้มีความปรารถนาดีกับเขาจริงๆไอ้ตรงนี้เราต้องมองเสมอว่าเราไปให้เขาไม่ใช่ไปเอาถ้าจิตที่คิดจะเอาขึ้นมามันจะเครียดจะกุ้มแันดีเราต้องมีจิตที่คิดจะให้ เราจะให้อะไรครับให้โอกาสเขาได้ทำกุศลให้โอกาสเขาได้มีความรู้ให้โอกาสเขาได้พัฒนาตนเองเนี่ยมันให้จิตที่คิดจะให้ต้องต้องต้องมองเหมือนพระไปบินาบาตเหมือนไปเอาแต่จริงไปให้ไปเปิดโอกาสให้เขาได้ให้ทาน <ล board. S 1> ไปเปิดโอกาสให้เขาได้เจริญกุศลแล้วฝึกตัวเองไปอย่างดีด้วยนะแล้วฝึกตนเองให้เขาถึงถึงคุณธรรมคือศีล ส, สมาธิปัญญามั่นใจตัวเราเองว่าถ้าเขาให้ทาน กับกระแสช be ีวิตนี้แล้วเนี่ยเขาจะเขาจะปลอดภัยเขาจะได้บุญมากที่สุดเราจะไปให้เขาเปิดโอกาสให้เขาได้ทำบุญเปิดโอกาสให้เขาได้เจริญกุศลเปิดโอกาสให้เขาได้ได้ได้บุญสูงสุดให้ได้เนี่ยการที่เราเราเราฝึกตนเองไปอย่างเงี้ยเราจึงไปยังอาจฐานพวกเราไปอย่างเงี้ยเหมือนกันเราฝึกตนเองจนจนดีที่สุดแล้วแล้วมีโครงการที่ดีที่สุดแล้วเราจึงไปเปิดโอกาสแล้วไปให้เขา แต่ไม่ใช่ว่าไปขอเขา <Okay. S 1> ถ้าไปขอเขาแปลว่าเราด้อยนะแปลว่าเราอ่อนแอเรไม่ใช่เราต้องการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ได้ทําสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์เราจรึงพูดหรือไปคุยหรือไปเดี่ยวงานเนี่ยด้วยความอาถรรด้วยความเชื่อมัน่น mm hmm. ถ้าคิดไปเอาในจบเลย mm hmm. มันเป็นให้จริงๆว่าทําไมเราทําโครงการนี้ เราเปิดโอกาสให้พวกคุณได้ทำสิ่งที่ดีคุณไม่มีเวลามาคิดมุมนี้แต่เราคิดให้เราสร้างงานให้สร้างโอกาสให้สร้างสิ่งดีๆให้เปิดโอกาสทำโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือใครอย่างไรนั้นโอกาสแบบนี้เราคิดบบเบ็ดเสร็จทั้งเบื้องต้นทำการเลยที่สุดเราคิดรายละเอียดทั้งหมดว่ามันจะเป็นประโยชน์ยังไงนี่คือให้โอกาสเข า, าถ้าใครมีปัญญ า, ญญาเห็นโอกาสนี้เขาก็ช่วยหยิบช่วยทันที ทั้งหมดเหล่านี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะสื่อสารยังไงเห็นไหมสื่อสา ร, ส, าร ส, สื่อสารที่เรามีความพูดจริงนะทำจริงและจริงใจถ้าเราไปมไม่มีความจริงใจนจบเลยเนะี่ยตรงนี้เนะนี่ยมันประกายอีกมุมหนึ่งเลยเนยะตรงนี้สำคัญเพราะเราต้องการประพฤติคุณธรรมเราต้องการบาเพ็ญกุศลถ้าอย่างเงี้ยมันมันมันจะชัด ดังนสิ่งต่างๆตรเนี้มันนอกจากที่พวกเราทําข้างในให้เข้มแข็งเวลาผลักออกข้างนอกมันก็เลยมันการปฏิบัติมันจากในบ้านแล้วมันออกอยู่ข้างนอกไม่ใช่ไปให้คนข้างนอกปฏิบัติแล้วเข้ามาเราเราปฏิบัติเนี่ยฝึกจากข้างนอกออกไปจากเริ่มจากจุดตรงเนี้แล้วก็ขยายวงออกไปจากเมตากันเองเกื้อกูลกันเอง นั่นะเขาเขาก็แผ่เมตตาแผ่ความเกือ้อกู น, นั้นให้ยิ่งใหญ่ไพสาลออกไปเรื่อย ๆ, ๆจนในที่สุดจริงก็ทั้งทั้งโลกได้หลักการคืออย่างนี้มันทำไปจากข้างนอกข้างในออกสู่ข้างนอกแล้วเวาลาเจออุปสรรคขวางหนามะคะอันนี้ต้องต้องต้องตั้งความรู้สึกไว้เมื่อกี้มีเด็กจาก เ, า<ม>เด็กจากฝรั่งเศสเขาก็เป็นคนที่เจอปัญหามาตลอด เด็กอายุยี่สิบกว่ากว่า <25. S 1> ประมาณยี่บ้าเองแล้วต่อสู้ชีวิตมาแล้วเจอปัญหาหมากหลากหลายท่านก็บอกกรับว่าต้องตั้งความรู้สึกไว้เลยว่าปัญหาและอุปสรรคมันมาเพราะบุญของเราเถ้า <c oughs> ถ้าไม่มีปัญหาแรืออุปสรรคถามว่า <c oughs> ปัญหาแรืออุปสรรคทั้งหลายมันสร้างวีรบุรุษ <c oughs> คนที่ไม่ คนที่จะประสบความสำเร็จหรือจะยิ่งใหญ่ได้นะต้องเจอปัญหาใหญ่อุปสรรคใหญ่มันถึงจะสามารถสร้างสร้างสร้างให้มนุษย์ประสบความสำเร็จได้ที่ยิ่งใหญ่ถ้าปัญหาเล็กอุปสรรคเล็กมันก็สร้างมันก็ยิ่งใหญ่เล็กๆมันก็ถ้าจะทำงานใหญ่เนี่ยจะทำงานใหญ่เนี่ยใจต้องเข้มแข็ง ถ้าคิดจะทำงานใหญ่ถ้าถ้าไม่คิดอยากจะบำเพ็ญขันติบารมีเนี่ยมันอาศัยอุปสรรคเป็นเครื่องฝึกอุปสรรคมันคือเวทีในการฝึกขันติบารมีมถ้าไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคขันติบารมีมันจะเกิดได้อย่างไรมันไม่มีทางเกิดได้มหาบุรุษระดับพระเจ้าเกิดขึ้นมาไม่ได้เลยสาวกพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นมาไม่ได้เลย ทุกคนเจอปัญหาอุปสรรคทั้งนั้นว่าเจอปัญหาเจออุปสรรคไม่ใช่เอาสัญชาตญาณไปสู้มันใช้ปัญญาไม่ใช่ความเพียรไม่ใช่กันติมันใช่สมาธิมันใช่ความตั้งมั่นแห่งจิตในการที่จะฟันฝ่ากับเรื่องนั้นเห็นไหมมันไม่ใช่ใช้สัญชาตญาณถ้าสัญชาตญาณเจออุปสรรคก็หนีกลัวเครียดโกรธไม่เอาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่สุนักสุนักเจอกันมันก็ใช้สัญชาตญาณใส่กันตัวไหนแข็งแรงกว่าก็กดอีกตัวหนึ่ง น้องก็ยอมเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าด้านปัญญามันไม่สัญชาตญาณนะนมันกลับกลายว่าเห็นปัญหาอุปสรรคว่านี้แหละเป็นบทฝึกของเรายิ่งยากยิ่งได้เนียเรียนรู้สู้สิ่งยากก็ไม่ได้เลยทีนี้มันกลายเป็นว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นบททดสอบเป็นเวทีทดสอบความสามารถทำให้มนุษย์ประสบความสาเร็จได้ก็ดูที่มนุษย์ที่มันสรารพัเดเจอปัญหากันนั้น เจออุปสรรคตรงนั้นก็ดิ้นรนแต่มันเครียดกับมั น, มนไหมเรากุ้มกับมันนะมถ้ า, างี้แปลว่าสัญชาตญาณชัดเลย<ม>แต่ถ้าเจอปัญหาเจออุปสรรคปุ๊บรู้สึกตื่นเต้นเหมือนยกตัวอย่าง <c oughs> เหมือนเหมือนไอ้ฉันไม่ยกตัวเองเลยว่าหมอนบอกว่าพังว่าเข่าเนี่ยพังไม่รอดว่างั้นเธออย่าฝืนเลยขาก็ไม่มีแรงจะขึ้นไปได้ยังไงพระอาจารย์ดูแค่ดูมันขีดให้ดูมันรู้ ท, ทันทีมันเห็นภาพเอาภาพมา ไปไปเซิร์ชข้อมูลมาเปเสร็จแล้วบอกเลยไม่รอดฉันฟังว่าขอบคุณขอบใจมากที่พูดบอกบอกอุปสรรคอันตรายถ้าไม่มีคนคนนี้บอกเราจะไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยเป็นคนมีกำลังใจอ่อนแอหรือเข้มแข็งถามว่าคนจะรู้ว่าคนคนนี้กล้าเนี่ย หรือไม่กล้ามันดูกันตรงที่เจอปัญหาและอุปสริศมันไม่มาดูที่ราคาคุยนะมันไปดูกันที่มเมื่อเจอปัญหาและอุปสติคคุณร้องไหมคุณร้องโอดคุณท้อไหมถ้ายิ่งเจอกับยิ่งมีพลังเพราะโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราเป็นแบบนี้ถ้าเราเข้าใจความจริงของชีวิตอย่างนี้ปุ๊บเจอปัญหาอุบัติศ์ว่าเอาแล้วเราได้ข้อฝึกแล้วเราจะเข้มแข็งได้ก็ต้องปัญหาตัวนี้อุปสติศัก์นี่เลย ถ้าไม่มีปัญหาเหล่านี้มาไม่มีอุปสรรคเหล่านี้มาความเข้มแข็งมันจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ใช่ไหมล่ะพลังมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันก็ต้องอาศัยปัญหาและอุปสรรคเลยลแหละมันมีความรู้สึกว่ามันมาที่บุญของเราแท้แท้ถ้าไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคเนี่ยคันติบา ร, รมีจะเกิดแก่กล้าได้ยังไงถ้าขันติบา ร, รมีไม่แก่กล้าแล้วมันจะประสบความสําเร็จในการที่บําเพ็ญบารมีอย่างไร แล้วจุดหมายปลายทางมันมันมีอะไรบ้างประสบความสาเร็จโดยไม่เจอปัญหาม ไ, ม ไ, ไม่มีเลยมันไม่มีเลยแล้วปัญหามันใหญ่มันบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกว่าถ้าข้ามมันได้นะมันจะมันมันจะประสบความสำเร็จที่ยิงย่งใหญ่แต่ถ้าปัญหาเล็กๆถ้าทั่วไปเช่นปัญหาเรื่องเล็บขบงเงี้ยใช่ไหม มันก็มันก็พอแก้ปัญหาได้มันก็เป็นเรื่องเล็ก<บ>ๆเฉพาะตัวนั่นเองแต่นี่พวกเรามาเลือกที่จะทำงานแบบนี้ก็แปลว่าพวกเราเนี่ยสมัครใจกันมาเองนะที่จะมาเจอปัญหา <c oughs> ใช่หถ้าไม่ถ้าถ้าเราไม่อยากเจอปัญหาก็เดินออกไปก็บอกมือวาบอกว่าไม่เอาแล้วก็ไปอยู่เฉพาะตัวเราเองมันก็ได้แค่ปัญหาเฉพาะตัวใช่ไหมล่ะนี่ปัญหาเนี่ยเนปัญหาเกี่ยวกับคน ปัญหาเกี่ยวกับคนหมู่มากแล้วเราต้องการอยากจะให้สังคมมันดีใ ช, ใช่ไหมละ่ะโอ้มันเป็นเรื่องใหญ่มากมบางคนทุ่มทั้งชีวิตเราไปดูประวัติของเอ็มเบสกาไปดูดีออลองไปดูมหาตมะคารทีไปดูเนรูไปดูกลุ่มพวกเนี้แล้วพวกเนี้เจอปัญหาอุปสรรคกันหนึ่งทั้งนั้นใช่ไหมล่ะแล้วเขาก็ เขาก็ไม่เห็นก็บนว่าท้อเลยหรื อ, อยังอนาคาลิกธรรมปาล้างไปดูดูขนาดใกล้จะตายเลยนะสมาทานว่าด้วยกุศลด้วยความมุ่ง ม, มั่นในการกอบกู้พุทธศาสนาบุญกุศลที่ทามาทั้งหมดขอให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเกิดในชมพูทวีปอีกยี่สิบห้าครั้ง<ฮ>มากอบกู้ ให้มากอบกู้พุทธศาสนาทุกทุกร้อยปีให้มาเกิดทุกร้อยปีให้มัเกิดจนครบสองพันหร้ออีกสองพันห้าร้อยปีไม่เคยท้อเลยจาดโดนจับโยนออกจากไอ้พุทธคยาโดนทุบโดนตีไม่เคยทอ้อให้คนแบบนี้ใช่ไหมหรืออย่างเนรูเนี่ยตอนตายเนี่ยทําไมเขาเอากระดูกป่นเป็นผงแล้วโปรยทั่วอินเดียเขาบอกว่าเศษเม็ดฝุ่นกระดูกของเนรูเนี่ยเขาอยากได้คนอย่างเนี้ย In กลับมาเกิดในในอินเดียมากาะกู้อ in so <that subscribe> ินเดียหรือมามาต่อสู้เพื่อชนมนุษยชาติในอินเดียเขาในเขาต้องการคนแบบนี้เราทําเรื่องตรงเนี้มันทําเลยตัวเองได้ยิ่งดีแล้วมาสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตเราเห็นไหมมาสร้างเขาไว้ประวัติศาสตร์ชีวิตเนี่มเครื่องป่นกระโทีนี้รอดหรอกป่นกระโดดพีเตอร์มิอมันได้ไส คือมาสร้างประวัต ok> ิศาสตร์ีวเอาจริงๆอย่างยอมสมิธแต่เขาเขาเกิดมาในตระกูลอย่างเนี้ยเขาก็ต้องมีเขาก็ต้องมีเขามีบุญมาเป็นไม่ใช่เพราะเขาดึงได้เกิดในตระกูลสูงใช่ไหมเป็นหลานหลอเนีันนี้ในนี้คนมีบุญนะฉะนั้นก็ฉะนั้นคําว่ามีบุญมาเนี่ยไปที่อินเดียเนี่ยฉันไปเจอประวัติของหม่อมเจ้าพระองค์เจ้าอืม <พ>เออ พ, พระองค์เจ้าเดี่ยวพระองค์เจ้าปาปิดแสงพระองค์เจ้ า, า เ, าาเานี่ยท่านเป็นเกิดท่านรู้สึกจะเป็นลูกของรัชกาลที่สี่ไม่แน่ใจเนียพระองค์เจ้าปปิดแสงท่านมาท่านเรียนเป็นนักเรียนอังกฤษ<สะ>ในยุค น, นั้นสมัยรัชกาลที่ห้าแล้วต่อมาเนี่ยท่านก็โดนใส่ล้าใต้สีอะไสารพัดหมดเลยแล้วต่อมาท่านก็เลย ลาออกแล้วก็ท่านก็เลยไปอินเดียไปศรีลังกาท่านก็ไปบวชไปบวชที่ศรีลังกาแล้วก็ต่อสู้ชีวิตจนเป็นเจ้าวาดองค์รูปที่สองของวัดที่ที่ปัทุสตา ม, มาลามแล้วก็สร้างเจดีรัชนะเจดีแล้วก็เป็นคนไปเจราจากับอังกฤษรัฐบาลอินเดียที่ได้พบรมสายลีรดกธาตุมาแล้วมาถวายราชการที่ห้า แล้วท่านสร้างประวัติศาสตร์แล้วต่อสู้มาเยอะแยะแล้วต่อมาก็กลับมากลับมาแล้วก็มาศึกแล้วก็ต่อมาก็ชีวิตก็ตกต่ําลําบากแต่ก็ไม่เคยท้อเห็นไ้มเนี่ยนี่ประวัติขนาดคนเนี่ยทุกวันนี้ก็มีประวัติทั้งยังฉะนั้นถ้าเรามองนี่ก็คือเนี่ยคนที่ทํางานใหญ่เนี่ย จเจอปัญหาทุกคนเจอปัญหาทุกคนดนั้นถ้าเรามองอย่างเดิมสมิธก็เขามีเชื้อสายมันเกิดในตระกูลสูงมาจากอะไรเนี่ยมาจากการออไม่ดูหมิ่นคน ม, มาจากการที่ให้เกียรติคนให้อภัยคนไม่กดขี่คนถ้าไปกดขี่เขาไปทิมแทงเขาหรือไปพูดไปพูดกดพูดกลมขี่เขาจะเกิดในตระกูลต่ำยังไม่เล่า อย่างเงี้ยเป็นคนที่มีไม่มีมานะไม่ยกตนชูตนเปรียบเทียบตนตรงเนี้ยกลุ่มบุคคลนี้เกิดในอัตภาพใดก็เกิดในตระกูลสูงถ้าไปดูถูกคนรังเกียจคนหรือไปประทุสลายคนเนี้ยมันก็จะเกิดในตระกูลต่ำ น, นี่เขาเขามีของเก่าของเขามาแล้วมาอย่างนี้มาเจอพวกเรามาร่วมต่อสู้กันอย่างนี้นก็ต้องทนแล้วก็ถึงเหมือนว่าเออเพราะเขา เขามีต้นทุนมาดีอย่างหนึ่งนะมาเจอในพวกเราก็ถือว่าเราก็ได้ได้ได้ได้ได้ไดไดไดข้อฝึกเงลนมีหลักบ้างมีหลักบ้างเนะันตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องทํามองอย่างนี้ก็แล้วทั้งหมดเหล่านี้คือมาสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตที่ดีเพื่อจดจาร์เลิกเขาไว้ให้กับใจของเราเองพระอาจารย์เจ้าคะพระอาจารย์ถามพวกเราแต่ละคนว่ามาอยู่กับเพื่อนเราเป็นยังไง แล้วพระอาจารย์มาอยู่กับพวกเราสามปีแล้วมองพวเราย่างไรบ้างคว่าจากปีแรกที่เจอพวกเราแล้วพอมาถึงปีนี้พระอาจารย์เห็นว่าพวกเราเป็นยังไงเป็นก็เห็นตั้งแต่แรกๆเลยนะฉันมองว่าขัดแย้งกันแน่นอนขัดแย้งกันแน่นอนแล้วก็เพราะพรพแต่ละคนเนี่ยก็สุดยอด ก็เอาความต้องการของตอนเองมานําเสนอทั้งนั้นแล้วแต่ละคนก็ต้องการอยากให้ความต้องการของตอนเองเป็นความจริงซึ่งซึ่งวิธีการนี้ฉันก็เห็นได้แรกๆแล้วฉันก็พยายามบอกตลอดว่าให้วางความต้องการของตอนเองไว้แล้วให้นึกถึงความต้องการของคนที่อยู่ด้วยกันใช่ไหม แล้วก็ทำตามความต้องการของเพื่อ น, ออนต่างฝ่ายต่างทำให้กันอย่างนี้มันถึงจะมันถึงจะแมทกันได้เข้ากันได้ฉันบอกมาตลอดแต่ว่าพวกเราก็ไม่เห็นตรงนั้นเมื่อไม่เห็นมันก็อย่างที่เจอเนี่มันก็คนที่นำเสนอความต้องการของตนเองแล้วไม่ได้อย่างความต้องการก็หนีออกไปก็หนีอนอกไป ก็เหลือแต่ที่ยังพอทนทนกันได้พอว่องเย็นอาจารย์ผิดหวังไหมคะที่แบบมีเพื่อนๆหนีออกไปไม่หรอกเพราะว่าฉันเห็นความจริงของชีวิตมาเยอะฉันเป็นคนเห็นเห็นและฉันรู้จากกิเลสมนุษย์ฉันรู้จากควมกิเลสมนุษย์ทีนี้ว่าฉันนึกถึงคำสอนของพระพจาที่บอกว่าดูก่อนอานน์เราจะขนาบแล้วขนาบนีใช่ไหม เราจะไม่ทําเธอกับเธอเหมือนกับนายปั้นในช่างปั้นมอที่เขนุถ น, นอมมอที่ยังเปลียนอยู่แต่เราจะขนาบแล้วขนาบอีกแล้วชี้โทษแล้วชี้โทษอีกบุคคลใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารบุคคลนั้นจะทนอยู่ในพระธรรมวินัย น, นี้ได้ใช่ไหมนั้นก็ตรงนี้ก็คือ <laughs> ประเด็นก็คือว่าพวกเราทางานมีอะไรเป็นจุดหมาย จุดหมายหลักถ้ามีบอกว่าเอาละจุดหมายหลักของเราเนี่ยคือต้องการอยากจะขัดเกลาตัวเองมีมีความพ้นทุกเป็นจุดหมายหลักแล้จุดหมายรองก็คือต้องทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นสังคมสิ่งแวดลอ้อมเมื่อถ้ า, อ, า, งถาองนี้ก็ชัดใช่ไหมล่ะจะมองงนี้ก็ชัดงั้นก็ถามว่ามองอยังไงก็มองอย่างนี้ว่ามองว่ามันก็จะค่อยสกรีนตัวมันไป แล้วก็มันก็จะวัดกันที่ว่าศักยภาพถ้าพวกเรากลายเป็นคนที่ว่าเป็นมานาถดถอยท้อทุกกลุมมันก็ไปไม่รอดเพียงจตาเออเห็นปัญหาอุปสรรคแล้วมันเป็นพลังขึ้นมา <c oughs> มันเป็นพลังขึ้นมาแล้วก็ <c oughs> มันเป็นว่าพอพอ พอใจมันมีมันมีกาลังใจขึ้นมามันมีปัญญาคิดอ่านขึ้นมามันกลับไปดูอกอีกข่อไม่อฝากไับ้วันนี้เสร็จจะมองก็คือมองอย่างนี้แต่ก็จริงๆก็คือว่าก็ก็เข้าใจงานในยุคปัจจุบันเนี่ยมันยากกว่าเก่ามากเหตุเหตุผลเพราะว่า ในยุคปัจจุบันนี้มันมีมันมีช่องทางแต่แต่ถ้าเราฉลาดหรือรู้และเข้าใจมันมีช่องเยอะไปหมดค่ะจริงๆแล้วมันมีมีมากเพียงแต่ว่ามันเหมือนคนบางคนถ้าพูดถึงด้านธุรกิจเนี่ยบางคนบอกโหธุรกิจมันทํายากมากแต่ถ้าคนมองเห็นเนี่ยเขากระทำกันเต็มแต่ใช่ไหม เห็นมแต่บางคนเนี่ยมันได้แค่ช่องเดียว ม, มันแค่ไปทำงานประจำแล้วก็กลับอยู่แค่นี้ทั้งๆที่ช่องอื่นมีเยอะแยะหมดไม่เคยฝึกตนเองศักยภาพตนเองไม่เป็นแต่บางคนมันมองไปที่ไหนมันก็จะเห็นช่องหมดอันนี้ก็เหมือนกันคนยิ่งภาวะเศรษฐกิจภาวะสังคมที่ซับซ้อนคนยิ่งมีปัญหา ถ้าเราจะทํางานเพื่อแก้ปัญหามนุษย์นี่โอ้โหเยอะมากงานเต็มเลยมันมีช่องเต็มไปหมด <c oughs> เข้าใจอยังงานเต็มเพราะทุกคนมันมีปัญหาตั้งแต่ปัญหาครอบครัวปัญหาโอ้โหมากมายเลยปัญหาหมู่บ้านสังคมในแต่ละประเทศชาติและปัญหาของโลกก็มนุษย์มันคือตัวปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมมันตนสภาพถ้าเราจะทํางานตรงนี้มันถึงว่าหยิบไปตรงไหนมันเจอหมดเลยแต่เพียงว่าการนําเสนอการที่จะทํารูปแบบงานออกมา ที่มันจะตอบโจทย์เขาใช่ไหมหรือมันที่จะเป็นมันแก้ปัญหาได้จริงอย่าง น, งนี้ตรงนี้ท่างานแต่นี้พวกเราก็เจอปัญหากันซะเองนี่ดีเลยใช่ไห ม, อ, มอ่ะตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีนะเราได้เข้าใจมันได้เข้าใจมันแล้วก็มันเหมือนว่าคนที่จะไปไปทำงานยกตัวอย่างเช่นว่าอย่างธุรกิจอะไรเนี่ย บางทีก็ต้องโยนลูกไปเป็นลูกจ้างเขาเลยใช่ไมใช่ให้ไปฝึกตนนี่เหมือนการพวกเราเ <c oughs> จากอยู่ข้างบนแล้วค่อยๆตกลงมาเนี่ย <c oughs> ฉันว่าดีเวลาเดินขึ้นไปใหม่มันจะได้ไม่ไม่ลืมตัวนออั่นการล้มไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกแต่การล้มแล้วไม่ยอมลุกเนี่ย อ, อันนี้ประหลาดถ้าล้มแล้วลุกเนี่ยเออเป็นเรื่องไม่แปลกเป็นเรื่องปกติ ตอนนี้ในมูลที่มีใครรู้สึกว่ามูลที่แย่ลงเลยว่าคุณครขอพูดตรงนี้ดีกว่าคือคือคือตอนเนี้ถ้าถ้าพูดถึงว่าลงหรือปล่ามันมันไม่เหมือนมันไม่หลงแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการนี้ว่ามันเป็นนโยบาย ท, ที่ที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่เปิดมูลที่นะครับเก <ๆ S 2> ี่ยวกับการรับบริจาคเงินมาเนี่ยแล้วก็เราจะไม่เก็บเขาเขาปรารถนาที่อะ ที่จะถวายมาหรือว่าหรือว่ า, า, วาบริจราคมาเพื่อให้ว่าอยากทําอะไรแล้วก็เอาไปทําอำก็คือจะจะไม่เก็บเงนินมุยที่นื่นเรามองว่าถ้าถ้าใจว่าถ้าใจของแต่ละคนยังไม่ได้รวมเป็นหนึ่งเงินมนคือตัวเงินื่อนนอนทะเลาะกันเรื่องเงินไขเพราะเพราะใจของเราจะมีเงื่อนไขเราต้องยอมรับว่าใจเรามีเงื่อนไขของคนไปอยู่เขาว่าเพื่อ น, นมันยังไม่หนักแน่น มันยังไม่เป็นวันนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้มันก็เลยมองผมผมสําหรับมองผมนะมองว่าทุกวันนี้ยมูกทีมันก็มันก็หมุนไปาจาใจแล้วก็แต่ละเดือนเนี่ยมันเหมือนกับว่าในเดือนนี้จะมีใจ่ายค่าแรงค่าไปค่ามูลน้ำก็เราก็ตกลงคุยกันดูให้ออกยะออกช่วยผลิพันฑ์นะถ้มันไม่มีเดือนนั้นแต่ผมยังไม่เห็นว่าเดือนไหนพวกเราจะได้ควักกันจริงๆเลยว่าใจมันมีมาตลอดมันก็คือมาเรื่อย แต่จริงแล้ว่าเราจะไม่ได้เก็บเยอะๆมาจัดมันจะไม่ใช่ก็ก็เป็นเรื่องที่จริงๆตรงนี้มันเรื่องการบริหารจัดการก็ประเด็นก็คือเรื่องคนเรื่องคนมันสําคัญที่นนนี้้ํารอผมรู้สึกว่าดีขึ้นเรื่อยๆสําหรับสําหรับชีวิตผมนะชีวิตผมออกไปมันก็มีพลังมีปัญญามีมันมันมันคล่องมันเหมือนพระอาจารย์พูดก็คืออย่างผมเป็นอาจารย์มหาลัยผมจริงเอาแต่ทําสัมมันนั้นน่ะผมก็อยู่แค่นั้นจริงๆเข้าใจ แต่ว่าพอพอมาเจอมูนเจอเพื่อนเจอหลักหลายกมันกลับไปนี่เผาเองวอยางเราเผาได้เลยได้เลยหนูอยากกินอะไรเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยพระอนุญาพรอนุญาตยังจำคำพระอาจารย์ได้เลยว่าคนมปัญญาเนี่ยต้องเงินที่มาอยู่กับการได้แตนยังจำ ขอบคุณก็ดีนะเป็นเรื่องที่ทําให้เราได้สมัครีตต่อไปเราจะได้ต้อนรับอะไรมิ่ต้อนรับอีกเหรอคะเดี๋ยวก็ฉันทํากุศลมาเยอะคบุญที่ทําทำทำมาเยอะแยะหมดก็ยกให้พวกเราทั้งหมดเลยผู้สาธุขอให้เราฝ่าฟันทุกอุปสรรคด้ยได้อยู่แล้วลืนตาอ้าปากมีข้าวกิน ก็พอแล้วนี้ก็ตัวขนาดนี้ยังจะมาขอเข้าอีการยกวเลิ่มายังจะมาีกรอบพี่องกันใหญ่ไม่มีไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็กหน่อยเราจะเข้าห้องไม่ได้นะแล้วนี่อยู่ที่ไหนกันบางโอ้โหกระจกดเลยแต่งินเด็กกันแล้วเนี่ยค่ะัเดี๋ยวมีอะไรไม่ใช่หรอกกลัวพวกเราจะกลับเพราะฉันอยู่กับที่ไม่ใช่เลย